อันหนึ่งเพ่งบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณด้วยอนุภาพแห่งปัญญาตอนแรกเนี่ยนะจะปฏิบัติปัญญานำหน้าศรัทธานำหน้าความเพียร น, นำหน้าก็ช่างเถอะแต่จะตรัสรู้ตรัสรู้ด้วยปัญญาเหมือนกันเนี่ยนะเพราะปัญญานี้เป็นเหตุให้สำเร็จความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอ่อบางท่านบอกว่าที่เป็นอย่างเนี้ยเขาบอกว่าต่างที่ความเพียรถ้าเพียรมากบรรลุเร็วครับเพียรปานกลางก็บรรลุปานกลางถ้าเพียรอ่อน ก็บรรลุช้าเคารวาอยู่ที่อนุภาพของความเพียรแต่ตรงนี้ท่านบอกว่าจริงๆแล้วต่างกันที่ทําเป็นเครื่องบ่มมิมุตประมาณนั้นแหะเพราะว่าโพธิสมภารทั้งหลายถึงความบริบูรณ์แห่งบารมีเหล่านั้นโดยต่างกันตามเวลาที่พูดคือถ้ามีปัญญามากสาสาเสียสองขัยแสนกับถ้ามีศรัทธามาก8อสงขัยแสนกับถ้ามีความเพียรมาก16อสงขัยแสนกลับเนี่ยนะ ที่จริงเนี่ยที่เป็นอย่างนี้เพราะความแก่กล้าความอ่อนความปานกลางแห่งทำเครื่องบ่มมิมุตยอยู่ที่คุณธรรมที่บ่มการตรัสรู้มากกว่านั่นนะถ้าถ้าเป็นทั่วๆัไปเนี่ยทำเป็นเครื่องบ่มมิมุตก็คือศรัทธาวิรยิยสติสมาธิและปัญญาก็คืออินทรีย์5นั่นแหละเป็นเครื่องบ่มมิมุตตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าบอกว่าความต่างกันเนี่ยอยู่ที่ทำเป็นเครื่องบ่มมิมุต ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรืออินทรีห้าเป็นเครื่องบ่ง ม, มีมุดเนี่ยถ้าอินทรีย์าแก่กล้าก็ตรัสรู้เร็วถ้าอินทรีห้าอ่อนก็ตรัสรู้ช้าถ้าปานกลางก็ตรัสรู้ระดับกลางด้วยอาการอย่างพระโพธิสัตว์ทั้งหลายย่อมมี3ส่วนในขณะแห่งอภินิหารโดยความต่างการแห่งอุคติตัญยูวิปัญจิตัญยูและนัยยะบุคคล จริงแล้วท่านบอกว่าต่างกันว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยมีอยู่3ามกลุ่มะนะอุคติตันยูตรัสรู้เร็ววิปัญจิตันยุก็ปานกลางนัยะก็ช้าหน่อยอะนะใน3อย่างนั้นยกตัวอย่างว่าผู้ที่ฟังคาถาสี่บทต่อพระภักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่จบคาถาที่สเป็นผู้มีอุปนิสัยสา ม, มารถบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยอภินญาหและปฏิสัมพิทาสเป็นอุคติตันยู ถ้าหากว่าน้อมไปในสาวกกรโพธิยานพวกนี้อย่างสมมติาคาถาสี่บรรทัดเนี่ยนะคาถาสี่บรรทัดเนี่ยเรียกว่ามันมีอยู่สี่บทสี่บาทนะนะสี่บาทเป็นหนึ่งคาถาสมมติว่าถ้าเรียงมาแนละ้วสมุติวสี่บรรทัดเนี่ยบรรทัดที่สามยังไม่จบเลยบรรลุแล้วของเรานี่ไม่ใช่แน่นอนนะดูถ้าจะว่าบรรทัดเลยเอาเป็นไม่รู้กี่เล่มต่อกี่เล่มแล้วก็ยังยังก็เออรู้สึกเข้าใจขึ้นนะนะเนี่ยแค่นะั้ ก็ดีแล้วล่ะนะแต่ว่ามันอืหตอนนี้แหละให้เห็นว่าไม่ใช่อุคติห่างอุคตินานแล้วเนี่ยนะเพราะว่าอันนีจาวตาสังขาราอุปาทวายธรรมิโนฟังมาตั้งกันเล็กกันน้อยแล้วก็ไม่ได้บรรลุอะไรเนี่ยก็แสดงว่าอ่อนมากๆเลยนะมันไม่ใช่อุคติตัญยูแล้วล่ะเชื่อเหรอพันผู้ที่มีอุปนิสัยอุคติตันยูเนี่ยนะฟังแค่สักสองบรรทัดครึ่งว่างั้นเถอะสองบรรทัดครึ่งนี้ก็บรรลุแล้วว่างั้นเถอะ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 ต้องใช้เวลาตั้งสี่อสงไขยแสนกับส่วนประเภทที่สองฟังคาถาสี่บทต่อพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่จบคาถาบทที่สี่เป็นผู้มีอุปนิสยัยสามารถบรรลุพระอราหันต์พร้อมด้วยอภิญญาหกปฏิสัมพิทาสี่ถ้าหากว่าท่านน้อมไปในสาวกโพธิยังคือฟังเนี่ยนะบรรทัดที่สี่ยังไม่จบเลยบรรลุเลยพวกนี้ท่สร้างบารมีพวกนี้จะเป็น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 การเวลาเนี่ยนะเว้นจากการสั่งสมบุญญาพินิหารเว้นจากการได้รับพุทธพยายกรในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้บำเพ็ญบารมีมาโดยลำดับบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตามการมีประเภทที่กล่าวมาแล้วคือหมายความว่าถ้าเป็นประเภทถ้าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์แบบอุกติตันยูพวกนี้จะต้องสั่งสมบุญญาที่การนับตั้งแต่วันได้รับพยากรมาเลย